ในที่อันนี้พิจารณาเห็นโดยอัตโนมัตยิยธิบายว่าฝ่ายผู้โจ์นั้นเมื่อเห็นชอบด้วยคำเฉลยตกลงกันในที่ว่านิพพานมีเป็นแท้แล้วผู้โจ์นั้นถือลทัทีว่าขันที่ดับแล้วและล่วงไปล่วงไปนั้นแม้ว่าดับมิได้เป็นอนุปฏินิโรธดับมิได้ขาด ยังเป็นเชื้อสายให้บังเกิดขันอื่นอีกต่อไปอีกก็ดีอาการที่ดับเป็นแต่เฉพาะเฉพาะเป็นแต่เอกเทศนั้นก็ดีก็จัดได้ชื่อเป็นนิพพานได้ฝ่ายอาจารย์ผู้เฉลยจึงวิสัชนาว่าขันที่ดับแล้วและยังเชื้อสายให้บังเกิดขันอันอื่นสืบต่อไปดับมิได้เป็นอนุปัตินิโรธ ดับไม่ได้ขาดเห็นปานดังนั้นถ้าจะจัดเอาเป็นนิพพานแล้วนิพพานก็จะสําเร็จทั่วไปแก่สัตว์ทั้งปวงโดยต่ําจนแต่สัตว์ที่เป็นเดรัจฉานก็จะได้ชื่อว่าสําเร็จพระนิพพานเหตุว่าจัดเอากิริยาที่ดับไม่ได้ขาดเห็นปานดังนั้นอาการที่ดับขันเป็นแต่เฉพาะเฉพาะเป็นแต่เอกเทศดับไม่ได้ขาดเห็นปานดังนั้น ถ้าจะจัดเอาเป็นนิพพานแล้วจิต ท, ที่บังเกิดขึ้นเป็นขณะขณะแล้วและดับล่วงไปในสันดานแห่งสัตว์ทั้งปวงนี้ก็ดีขณะจิต ท, ที่ยังมิได้บังเกิดในเบื้องหน้านั้นก็ดีก็จะได้นามบัญญัติชื่อว่านิพพานสิ้นทั้งนั้นเหตุว่าขณะจิต ท, ที่ดับล่วงไปเป็นอดีตขณะนั้นจะได้มีอยู่ในปัจจุบันนักขันนี้หาไม่ได้ ขณะจิตที่ยังมิได้บังเกิดในเบื้องหน้านั้นเล่าจะได้มีอยู่ในปัจจุบันณนะขณะนี้ก็หามิได้เนี่ยแหละเราจึงเห็นว่ากิริยาที่ดับมิได้เป็นอนุ ป, ปฏตินิโรธดับมิได้ขาดดับแล้วและยังเป็นเชื้อสายให้บังเกิดขันอันอื่นสืบต่อไปอีกนั้นจะได้ชื่อว่าถึงซึ่งพระนิพพานหามิได้ พิจารณาเห็นโดยอัตโนมัติยาธิบายแห่งตนโดยอธิบายด้วยประการชนิด